ที่ว่าะทิ้งกันตาที่ว่าบางโลกรอบตัวไม่รู้เป็นยังไงทะเลีว่าเปล่ยนจะเปล่ยตดต่มีอันเป็นไปจะต้องมีความเดือดร้อนนอยู่เสมอดีดีดีดีหลายางที่พ่อพี่ตากันทะเกันแร่กกลังใจใหปัญญาเดิมี กตจะเอ็ดบาทแต่ของที <ai> ่เลี้ยงน้เวลาเยอะเลยใ่ใช่ใ่โอ้สมเด็จะจ้ามรานเกรติพระท้าเลกประคำโอ้ลกประคำใช่ใช่ครับเออโดยเาบอกว่ามันไปจากาาแม่ศาสนาเลกภาษาที่บ้านนี้ก็าษศาสนาดีดีดีดีโห เเท็ไม่อิจฉาานแต่ที่ล้านสุกก็คือว่ามาศาสนาอีกฉาครอบรังแแลอบว่างพ่อรูปวันั้นไี่ยอีทายก็โี่บอกว่าอาภักดีมาดีวแต่ะเออก็ถูกต้องนะอาวัดมันถูกต้องยถูกต้องด้านปดหนักแน่นโอ้ เสด็จก็ไปเสด็จมาอย่างนเป็นนอที่แกตากเรือฐาโดยหลงก็คือว่าลูกควรจะทาอารมณ์ปลแบบไหนทสามารถสร้างอารมณ์ที่มันช่วเย้าหรือุบแย่ทาให้หลกเดืด้อได้หรือคือว่าไปเดธรรมดาทั่วทั่วโลกอาโลกไปเกิดเมื่จนถึงสุนทานเร่อน้นมมัดเศษเกินิโต้นไม่ถึงสนทาเลยไมในโลกคือพระพุทธเจ้าระพกทรูปแท้เนี่าไปสี่โ่ไม่ได้เลยถึงสุนทาเลย อะไรล่ะอแต่ั้งกก็ใชมันพายมันด่าต่อไปถ้าปนพาด่าจริงๆเลยถ้าจริงๆไยเขาต้องไม่เลิกกิสี่ชั่วโมงไม่กินข้าวไม่กินลาด่าเล่กมันพาเล่ยลมจะปวที่ปว่ไม่ไดเลยไม่้เลต่อไปไม่ไที่เลยไแล้วก็ตอก็ที่ท้าเราเองนะเเสีล้วหมดเรื่องมันนะอ ก็ใช่ตังมันตั้งมั่นขันตอนแบบไม่แครอทำสราใหม่กันหรืใช่ปะทนะเราลงมดีนะสมสองหนึ่ยเอ่อ่เอาเเดี๋ยสเวลาบนนั่นว่าเวลาสำเร็จแล้วจะมาเราพ่อเอาแต่กิจารนี้แปกหน่อยที่ว่าว่าเวลาพระพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะมารับจังโถอันน <c oppose> <c ười> ี้ม <claro rire> ีโถรชือกแสดงว่าจะชวน อา่าอย่างนี้เลื่อนบ้านของลกมาเขามาปรึกษาลูกมาหาลูกับลูกว่าลูกสาวเขาหายออกกันบ้านไปลูกก็เลยเนี้อหาให้ไปบนเสด็จสมหลงหลงไม่หลงหลงมไม่ได้หลงเขาหลงะพี่เหนือยนอก็ไปกันได้เพราะถ้าคุณไม่เสียแรงถึงหลงเต็มถึงหลงก็หลืองนี้วหลงไปกงอ๋อ หอกเป็นเว่ยของคนหลวงน้องพอมาหลานก็ตกเป็น้องเพชรเป็นอะไใช่ใช่เอานะลูกก็เลยแนะนําให้ไปมโนเสษตรกรมหลวงสุกพรเขาก็ไปบนไปที่หน้าอาจารย์รเกิดว่าได้ผลไปที่หน้าพรตายเราคือลูกสาวสาวฝากของบ้านไปที่จะ้อยแล้วแต่ว่าแม่ไม่ยอมเป็นแค่คนตัเองทีนี้เรกเสนอ ลกก็เลยเว่าเดี๋ยวมานนักเต่าไม่ดีก็เลยเราศึกษานะเลอว่าลูกจะแคบวแทนพ่อแม่มันจะได้ไหมไม่ได้หรอกตัวใครเปลี่ยนมันพระบาเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้ใช่จช่เรื่องจริไม่ป็นแล้วไปแล้วตอาว่าท่านเขาไม่ใช่เราเรียกเขา ตอันงเคยเลนี <G> ้ยแม่ไม่แปลุลาวอีกุกเวาี่ต่ได้ยนลายมัวังดีมั้เจ้าี่วัน้องว่าอย่าฆ่าผันเปนอะไรเลยมั้งกเ่องไม่เจ้าไ่อตอบไม่ได้ลคได้จริง โอ้แกจแก่็สังก็สั่งคนคนนี่นะเออไม่น่าพระเจ้าไม่นีาอ่าแกอ้ยมันโนหลายรายจับไม่ไลยหน้าใจญ่ก็มดหลายรายรักไปนั่นว่าก็ให้ต้องให้ไม่แก้บนนี้คนเ็กนะหม่ที่คณะสายไปคราวนี้แล้ไม่รับรองนะยังหาว่ารอไม่เตือนรอทะลยขัด อลัจานหลายที่บอกว่าการเ้าประเด็นแล้วก็ อ, อุปรกรณ์าังสูงเดี๋ว่าโลกได้ออกมงนมาวหวสถาพานแทนหลานสาวที่ป่ยเป็นเล็ลกเ็ น, เนโรกมาเร่งรักษาโดยที่ประเทศอเมริการลานเออไายแทนการที่เราถวายสถาพานแทนหลานสาวอย่างนี้จะมีผลหรือไม่ บอกว่าเขาจะส่งอะไรอาจดาเขาไม่ผมอ๋อเขาดูเามีโรคหรือผมแน่นอนนะเพราะไม่ได้อยู่คนละประเทศที่หมก็ได้แม่ไม่ได้เาหว้ต้นไม้ต้นเลก็คนละโลกเปลได้เลยเป็นประวัตให้ผีว่าีมีโรคหนึ่จะมีโรกหนึ่งจะไม่ด้ถึงได้อนไอ้ไถึงอย่างนี้ก็ต้องให้เขาให้นาฬิการักษาใช่ค่ เราสับไปไว้จดหมายไปก็ะช่ได้เอออังอนนี้เราบุญไม่แปรแต่ข้ามพรวิชาลงมาลาภเช้าลงพ่อุดบูชาของลูกเจ้าค่ะท่านหลวงพ่อท่านลูกมีปัญหาข้อเลยค่ะคือว่าคนเขามาบอกให้ฝันว่าให้เอาผ้าผ้า พระในสิโกถวายพระข้าพึ่โลกถามว่าพระในสิโดเป็นยังไงเขาก็บอกว่าให้เป็ามพระโลกูกก็เลิกได้ว่าพระที่เก่งที่สุดตลาดที่หุดตองง่ายที่สุดค <c oughs> ือว่าเ้าโตเขาโก็ได้เลยหลวว่า ถ้าพระไตรปิฎกมาเป็นแบบไหนและถ้าลูกจยากถวายอยากถวายด้วยวิธีอย่างไรก็ตามไม่ยากไม่ยากไม่แย่วิธีตามแยเลยยากนักานใหญ่กาไม่รู้ตายยกจมูกแต่ใจถ้าใจเฉยๆก็ไปลงดีเดเองคนตาไม่ปลงเองถ้าไตรปิฎก ไปเอาโดดเยอะเมื่อกี <ẽ> ้เลยใช่ใช่ใช้คนเราแฝงใช้ข้าวหอมก็จะดีโดดไม่งั้นไม่ได้อานักเข้าเขาเยอะใช่ใช่หช่ใช่แต่่าเราไม่เอาเยอาเกี่ยวนะเพื่ออะไรก็ยากกันทีขึ้นหายเลยดีมากที่คุณพูดมาอาไปนะว่ามาหลายวิญญานะเย็ เก้าคูณเ้ายนะ้าคเ้าูณสวางเากองค์เลยโอ้ไม่น้อยนะตังนะโอ้นีู่ิ้าอะไรนะไปแล้วอแปรนะจะไม่น้อกวหก็ดร้อยใช่าหาลวงพ่อกุจปฏิการที่ต่อไย่ไม่ใช่สองร้มั้งสอง้เลยะไม่ไมกว่าโ้กว่าอาแปนะพิ่เงินแล้วก็คอยสองไปว่าเวลาหาิกรร ข้าหลวพ่อเวลาขาพิจารณาไปมัมีประธานายมีเงินเงนองทองแก้วเลินไปยังใครมาจะรไม่ติดใจก็หาฉันอ๋อทุกบาททุกสางานพ่หาฉันถ้าได้ทางต่อต่อไปไหนก็หาอาาหลวงพ่อไม่อายเลยอายเเลยอายขี้เจ้าของขามาก่อน ยานนได้ที่ได้มามในจ่ายทีางอยู่ก็อย่างเราตามมาธนากาว่าถ้าจะสาธกรรมพ้าไทยที่อยลำสบายเลยจะกวกกันเพิ่มตัวเพิ่มตัวแตถ้าลายนี้ก็เห็นวิ้ว่าาท้าหลวงพ่อหลวงร้องอางสูงถ้ารูงงาจาวัดหลวงพ่อไม่ได้หรอกไม่ได้ก็มีตากันหลวงพ่อไม่ได้ ไม่เดือดรักใจไงเวลาไม่เห็นถ้ามีรถเหวี่ยงก็เสียดไม่ได้เลยเลยเลยร่เสียดตะโกนขับมาเดือดรักใจเวลาอะไรเหมือนกันนะอย่าเดือดรักใจโอ้โหว่าใครเคยมาแข่งไล่ไล่เสือดนะใน่อนนั้นแค่ทราบห้องอาหารแก้วไว้ไม่ได้ลายสายหมดนะ เขาคงจะหมายว่าจะไปบวชในอีกที่มากกว่านั้นนะใช่เดยอ่านตอเลยนะ่อเถ้าลุจะไปไปบวชที่วัดห้าตูมนอผมองจ่อใ้่อนะจะได้ังโดยนี้ว่าต้องมีวิธีการเตรียมตัวนานแค่ไหนโอก็ตรง้เมื่อเเดี๋ยเยอยู่ถ้าถจะเดี๋ยเขาก็ไม่ให้บวชไปทาไไาไดยกา้นไม่ไม่แฉกไม่สำคัญไมก็หมดคน การเวรผ่านวันเด็กเกองาการในสองต้องเวรานอุชาด้วยอายเกินหสไม่ได้อุเงาแล้ว่าายกุทธว่าผมจะไปไม่ได้ผมโกรธเขาผจะเก็่ผก็ไม่ติดต่อข้าผลข้าผลไปได้ข้าไปไม่ได้ ก็ไปยต6จุาใช่ใช่ใก็6ุดลงมานก็ไปดูระเบียบการด้วย่ใช่ใก็โดนนะแต่ถ้ว่า้าจะบอกว่าแหมแหมถ้ากูได้ีวิะได้เกดนะอย่าเลยแบบนี้ก็เล่นอย่างเดียวนะเอ้เข้าลูกหลไหลแล้วไปแต่ตอนนี้ไปปรมาณเออไปไกลเลยชีวิตในทะ้งยารสอยากจะสึกแล้ว ให้ตลอดชีวิตใใจไม่ได้นะครับต่ก็ไปท่านว่าในศาระเียกาวัดมาตรงนะแล้วก็ไปที่วัดตาเราเียนการก็ได้กันแล้ว่าจะฟ้าอีกท่านไม่มีอาจจะเป็นตัเหตุาดเหตุแต่ที่นั้นไม่ถามไม่ให้เยท่ารุกเฟงไม่ได้ถามแต่รถเฟืงหร ถ้าต่อไปที่เดลกินว่าไงเนี่ยว่นกะต้นา้ำพี่เอายกตที่นี้นี่จะศึกษาเลยนี่อย่างนี้เออแต่เราไม่ถามเพืปอศึกษาว่าลูกสร้างใจจะไปเอาเด็กที่ที่เขาไเรียกอะไรมันจะอีกต่อโลภานี่เขาเขาไปเขาพ่อเไปเรี้องจะไปขอเขามาที่จะไปดูเด็กเนี่ยลูกยีดความรับผิดชออ่างนี้รองใรจดีขอให้ัาถึงว่า สามมีบาลานซ์ใกลๆหลวงพอแล้วไ้ผมไม่รู้อยไม่รู้อะไรเลยเขาจะมาะรับอะไรกั อาจารย์ก็ขอศึกษาให้หลว่ว่าลูกควรจะไปดูเด็กในรักษณะแบบไหนเจะใค้ายรแอหลวง่อเป็น่้อก้าสิเอเอนี้ถ้าเ็นเงรงรือหรอจะู่แต่มาีมาดีอ๋ส่ในตัวโอที่จักษณะนีต้องเกี่ยวต้องโอใช่ ก็จะของภาษาไปโดยโง่เงี้ยไปส่วนนะอันนี้มือเย็บตองสูตตัวนะไหนเอาลูกเขาไปเย็บเอาอะไรเอากุลาก็ละเอาลูกเขาไปเย็บเอาแกล้งเอาอ์แล้วก็ต่อเด็กเหมือนกันผมไม่ใส่เวลานะครันอ้าวไม่ได้ตาวไปอาจารย์เอาหอวงพ่อดูตลกอย่างสูงลูกเป็นศึกยใหม่มาจากจังหวัดสุราษฎร์ในหลายปาทีุา เวลาทีมีพระทานอยูเองนะพุ <c ười> <N> ิธไทยพระพุทธไทยเลยนะนเล่นแสงหมายถึงวาในน้ำสิอลูกศิษ์มันไม่ไดใสใสๆอันนี้เก่งมีอะไรสยองหรือเป่าตาอะไรเงี้ยมีเกี่ยวอะไรยงอะไรสป้นพรเหมือนกันติดต่อของวรไม่สมสควรเลยนะไม่ต้องอะแจกแจกไปเยอไปนิพพานไปก่อนด่วน ถ้าเจ้มาบ่อก็เ้จะเป็นรอยยุ้ยนแล้วก็ไปเจ็บอีกอ่นึ่งโ้นี่อีกอย่างนี้เรามาบ่อก็ไม่รู้อะไรเออนี่เจ็บปวดปวราก่เอ้จะเป็นผมเดียวก็ไดนอนภาวนาแล้วลอยแคเดียวมันเยอะ้ที่นอนภาวนาลอยมันไม่ด้บนะเป็นปติอนนี้ก็จะไปไหนจิตมันก็หลบหลบสมาธิห่ ตัดลงกนก็ตับที่เดิมเลยเดยจ้ะโอ้แค่แค่ีตนีก็ลอยได้เหรอครับคอคค่าที่จริงนะแล้แมลุงพ่อเ็าอาจะบอกว่ากราไม่เด็ดวารีที่จะได้ในพาที่จิเพราเวลามีงานวัดภาพลุงิ่อจะอยคกทเอย่างนี้กันคือคุณค่าที่จิงจะมตั้งใจไปไหนไม่ได้มันจะเรามันเองมลนไม่จฉาทิฏฐิม่ต้องคุณจะหลงจากที่เดิมเลยก็จะไปไปต่ก็ติดกว่า ใช่ไม่หรอกเวลาทำติ๊กไม่จะออกแรล้วพอติ๊กมจะไปตัวติ๊กก็จะไปติ๊กนี่เร้่งสั้นพอมาที่เคื่อนตกลงมาจากที่เดิมแล้วอะที่ว่าไปอะไรที่นั่นหมายต้องต้องต้องต้องได้ยันได้อาวยาวมาถึงอะไรที่ถึงแค่เชื่อได้นี่ไงอะไรก็ไม่ติกั นั่งอยู่ที่พระลาบกเห็นไหมรัยานบหนอยอยู่ในาจอยู่แล้วเมีงานสาว่างเขาก่อรมนั่งย่ถึงงสายาไสยาว่างนี่หละครับที่มีะไรเมื่อกรที่ามส้ยตอ่งัอุาพิเข้าไอ้ที่นี้งอเลย้อแทบจับไม่ได้ถงเับาไปไได้ใจได้ใจได้เสียวทำนึดเจ้าพี่ยังไม่ได้ เราเรายิ่งเสยเท่าไเราขึ้ไปขึ้นไปไหนก็ตามนะถ้าจิเครื่องตั้งมีรับที่เดิมแล้วน้นขนาดที่เรามีความรู้สึกปวดามีควม้สิกปกติเป็นอะไรก็ได้ม่เห็นหนุบไม่ได้ตกเลยแมเอ่อศาสตรองเทพาพิธีพูดสุนทรภาริย์ก็เลยได้เป็นพิเศษลงให้ไปดูใน รเอ่ที่ตอนนราจอนม่าต้องคนี้อาจจะมีนะคงมีนะมีจิตบัตแคสองนะมันก็ยีใครมีประสบการอะไรเกี่ับเรื่องธรรมะปฏิวาลเรื่ษาจะมีที่รัการเป็นเสียนโลกหนาไปเลย้าเล่าถึปัญหาต่อไปลูปในพันธะไหวแล้วายงพ่อเพื่เื่อจจิตแค่แ้ม่น้นี้ก็ตายนอยู่ิตายแล้วนีัง้น คือพระจะจับจงตั้งใจให้ไม่ตายไม่ตายตายยังก็ผมไม่เชืตายยังที่บอกว่ายังทะเลนะก็ยังไม่ตายแค่จนนี้เนไปเลยร้องตายแหนะเราเป็นตัวอย่นตำลุงศาสตร์พันอาาลตวเอางีวะระวงไอ้นี้ทำหมุแล้วกวาดตายแล้ว อุ้ยตอกทรงให้แกนายนรงสักดิ์อาโนทมีสิงห์ลูกประยากจะรบกวนสามแล้พ่อว่าจะได้รับหรือเปล่าจะไปจะไปนะไม่รบกวนนะขอหลวงพ่อด้วยสงเคราะห์เอรพลันรันนี่ไม่ต้องรบกวนดีๆ่ะไม่ใช่รบกวนขอสงเคราะห์รบวนหลวงพ่อไม่เหมือนกันวะไม่ใช้ไพวานที่เถิก็แต่ก็หลวงพ่อวก็ายยัง จะไม่แค so oh okay. ่ิพาล่าสุวนรณฟังตำราเดียวกันตำราเดียวกันแต่ไรก็ทาถึงแล้วให้การใจเขาอะไรกันนะใครกัดพกกมามามาเมื่อหเป็นากะชัได้โอ้ากิดเราต้องมจะตายจัจมอาวไ้นี่เลีนแบบตัรเา ที่ปู่ปลูกใตาสีเรืองหลปลูกเพืดูเวลาอะไรสลานไม่ใช่แล้วปลูกเลยอ่ะไม่ไปดูเวลาปลูกอดตาวบ้านเขาไอเดือมันจะมีตามันจะเม็ดเลยแต่นั้นมันเป็นไม่ไหวถ้าปลูกแล้วก็เรื่องคดีขึ้นตอนแรกไม่ยอมปลูกใช่ไหมตอนหลังมาลองตอนหลังมาพบหมอมะพร้า ไม่เท่าไมพรมไปเนไปเท่าก็จะหัรก็แบบว่าไม่ไปเดินไม่ได้ก็ปลุกแบบนี้เดินได้หาเสียงได้ก็เลยลองผลุกได้ผลแน่ใครไม่เชื่อมาซื้อไปสันไม่เชือไปสามพันไม่อาแพงแล้วก็เพิ่มแค่สองพันเองเอาไว้ายแค่พันดียเพืออะกันเองโอ้ที่ตกลงมเป็อะไรก็ไ่าเลยนะไ่ร ต้ตั้งหัวคนอะไรตั้เขาพูบตังทห้งท้อว้งเนือั้หัวแล้วเลี้ยงเลยต้งหัวเลยสามเจ้ากหายก็ไ่เยอะใช่เดียวโตแล้วโอ้ยน่าเออเีมันก็ถาเลยถามเลยก็โผก็ไต่ก็ไต่ใจนันอย่างนั้นเอใสพอดีว่าไม่เป็นไรสงสัยนกขโอลันลายให้ลมือมาแล้วเอทอแกใไ แล้วพ่อจะ่ายรูปฝันร้ายแล้วเปอนะมาถามว่าปวดท้องปวดตาล่รีกไปเข้าตู้เดินน้ำในห้องตู้ไปนี่ใช่โะรูดติ่ออกไปออกมาตาปวดเรามันออกเพือดไปนี่แต่ที่มันไม่ออกมันออกแต่มัน ลูกเราเราโง่ฝันมีฝันไรแบบนี้ถ้าหากว่าจะไปเข้าที่ที่เป่าแยกหลอกเล็ดแล้วฝันไรไรอย่างนี้จะหมดล็อกตกโรคตาหรือเปล่าจะได้ไอฝันอย่ไม่เดือันไราป็นสันดีออกทางปากไม่ออกะสุนะนั้นเลลาบยังไม่ทางปากอ่าใช้เกลือฝันไม่เดือดเ้็นขาแน่ถึงนะให้จำลาวให้ถึงระยะนึ่งฝันร่าถ้าตกเป็นเสื่องฝันถึงหัวนะ หรือว่าถูกันคอขาดจะโดนบาดแล้วต่อมาก็าสงเดือนนอนลงมาอยู่แล้วก็หลับไปแล้วฝันต่นมาตกหินเส้ยอมไม่แค่คอไม่แค่หัวฝันข้าก็เลยหาพะปานแกถามพรท่านบอกเออตอนนี้จะเล่าให้ฟังนะตุ่นนุ่มมาไปโนมาจะเสาร์ามโบาดอย่างที่แล้อก็ดี่อ่างนั้อนตีออกข้างเห็นไมแล้วเราเออเราหน่งหมื่บาทเพราะว่าถ้าขายไม่หมดลดบางส่วนแต่การจะมาบริจาุ่นุ่กันที่หนึ่ง ถุงรถตังาันบาทจะไหนนั้นนไม่เขาจัดมาโไม่ทันรถตังเขาเลยเข้าไปไม่รีเงินตังเลยให้นะก็ท่านส่งให้บอกไอ้สตังเยเขไม่เอารสร้างบอไปเลยได้ได้ไ้ส้อย่างนี้้ยนเ้เหี้เ้าเลยโอยเเือาเย่อั่อ่นใช่ เป็นนักเจ้ามต้องไปเจ็บหารายกาที่ฝันัดีอ๋อจะาาเาแแค่สามเยให้ิงจริงสเลยเอนะคืนนี้ต้กับตหมั้ใหม่ก็ว่าท่าจะานดีหมตงกับ C D C พาจะมาจะตำาอ้กินละครับครับาไิคือเก้า ไอ้โม่ทองวังกลานมาทำเป็นนักติดตัวติดตัวเป็นนักตดตัวัวทุกคนจะมาดูเราะติด เาหักตานิยมจะดอบวันเทาเอาบางเกี่ยวกับเรื่องนี่บางตามปัจจุบันนี้พอบลดจอดได้บางไหมหรือหลวงพ่อมีคำแนะนำอย่างไรขอได้โปรดชมเคราะหามหาหน้าเป็นอะ <c oughs> ไรซะถารดด้วยล้วใจสัตย์ที่จะต้องถึงความตายด้วย <c oughs> ให้บอกให้เธทราบนะให้เปอนโมตนา ไอ้ทัศนละเวสนาไม่จะเป็นดุริยุทธ์โยนาธาทุกอยาจะเป็นนะเยืนยกัใครได้ก็พอใจดีังกับครได้เพราะว่าเขาถ่ายสังฆทาให้แล้วก็ปล่อไปได้ไหมเขาต้องหาหาว่าใครละเยดนะจ๊ะอนนั้นใครที่อยู่ในโลกใครใครเ็จญาโกะพิเกนะก็จย่าลืมจดใจนะสังฆทานตัดปล่อยที่อยู่ที่แล้วเพาะว่าปัญหาไมเยอะังลยทุกข์ใจก็เด็ เอาไลน์ Hoje, ต่อไปเล้ครับลาภน้าพ mm ่อพูดเคารพอย่างตูงที่บ้านลกก็มีคนมาอาศัยโทรศัพท์เพื่อพูดติดต่อสิทธิการงานบ่อยๆอันนี้รูกก็ถือว่าเป็นการชงร้องความปะดกสำหรคุณไ่หนึ่งแก่พ่อพูดสิดทองเกี่ยวกับเรื่องเรื่องใจหายใจแล้วก็ส่งเข้าลงมาเอาให้ททีเปกระดูมากๆ อยากจะเถามว่าอย่างนี้ลูกะบาดหรือไม่ไปไประนาบสูงให้เขามีการพักนิ้วไก่สายไก่ข้าไก่แตงราเต้หวานหวานหวานไม่วานพยายนกรหนึ่งเมือนกับทำเออน่มีการเล่นกันนะเจตนาของที่ยกมวิตานี้คือก่อนที่จะเป็นไรแล้วเกีการตั้งใจในการ แต no. uh ่ถ so ือว่าเราเราไม่ถนัดก็โนตก็ตามกตามล้างเข้าใจเข้าใจขาต่อถาพูดก็พูดไปแต่แค่รับฟังไม่ได้เวลาไปอ๋อเขาคืหลได้ไม่ได้หลบตรงไปตรงมาแค่รับฟังไม่เถงไงว่าดูแล้วจะบตาใจหุ่นยนตทมาทำเถอะรวมความว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ดีเป็นต้ราลการนะเอาแต้กาจจต้ออบไ ตา้าลก็อะุ book, hhhh, like like ouais. leave, ็อ้อย <c oughs> <pan> ่างโนี่ก็แปลกเรียบเหมือนกันเนีตยพูดิ้มโศนไปง่าตอนหลวนบวกก้อนเอาแมก่อนเหมือนกันนะธรรมดาไปกันไปสองขาเขาเอมาลายนี้ขาที่สงดตายไม่ที่ะตายเยอะกันเลยไปเอาเขาบาดไปเลยมารายนี้บอกว่า ลกกปรารถนาามประเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงว่าอย่างนี้ว่าลกต้องการจะเป er <Huh. S 1> aman, s, ็นของหลวงพ่อแต่ไม่ร <BLACK> like so, ู้วิธีการว่าจะเป็นแบบไหนเข้าหาหลวงพ่อท่าไรเป็นปีกาหาว่าวันหนึ่งลกก็เลยไม่คิดดีได้ขณะที่ลกไหว้พระสมบูรณ์ลูกก็บอกว่าเน่หลวงพ่อ ลูกเป็นศิษย์ของพแล้วนะขอ้พ่อรับร้วทราบนะลูกก็เออเรู้แล้วรู้แล้วใช่ได้ใช่ไหมใชแล้วใช่ไหมใช่ไหฮะใช่ไดจริงใช่ตั้งใจด้สิทธิ์โอ้ต่อไปก็จะดีนิด่างต่างออโอ้อ้แม่ินั้นก็ามีิสคัญอีกจิถ้าจิตใจลดึ้นอย่างไดยังไม่ไ้อ๋อแต่นั่นก็ ยังแต่วันนี้ก็ทีโชคดีนะมีวิธีไป็นเด็อ่อเลยรวยนดองนะใช่าัด้ยวอีพ่อหนึบอกว่าอะไรขอสุดท้ายให้ลกขอรัตนาภรมีคุณประสิทธิรัตนาาเป็นบรมดาให้หลวงพ่อมีอายุยืนนานขอให้หลวงพ่อมีพาราไมยแข็งแรงสมบูรณ์ขอหลวงพ่อบรรลุเป็นกุศลตามในน้ ว่าให้ที Blizzard ่อไปร้องอ้โห่จะฟังกันไร้ยังไงนต่อไปแล้วเขาชอบกันอะไรเขบอกเขาหลอกให้เป็นเ่ไม่เอาไปยงแล้วจะเป็นเพื่อนยังไงถ้ามันเป็นแล้วใช่ไหมถ้นอาจจะหลอกไปแล้วแตทัานก็โง่ตาบ้างยังไม่ยอเฮ้ยยังไม่ได้หลอก มีบอกว่าแลวงพ่อทานลูกใจโันหลวงพ่อไว้ว่าหาหลวงพ่อมาหลวพ่อคนี้เลยนะบอกเลยนะทกคนวันนี้จะพาไปจะทานวัดนายมรณะสังฆารหลวงพ่อและจะถวายสั้ทานแต่พราะเอิญว่าบนเสร็จพระศพของลูกชายก็ย้ายไปอยู่ที่เองไม่สามารถจะมาหาหลวงพ่อได้ ลกแกเป็นปัลกแ้อายอะไหรืออะไรลกหวประธานแเองูเองเองีจะ่ได้่ได้่ได้อาวก็เป็นบุญเหมือนกันตั้งใจะเมาหลขัก็เป็นบุญมาตลาเองก็เป็นบุญเอาเลยไปลาแล้วจน เก่ดยวกับราาปฏิบัติราาระเดก็คุณหลวงพ่อ่รองจงมาลกเรได้พยายามเปลนพาตินี้มาหลายเดือนแล้วก็ได้ผลเป็นที่หน้าหัวใจราวือไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนการได่บทพอะพทาอสาาครังที่เรนก็ตั้งใจอย่างเต็นเปลี่ยนตั้งใจอย่างเตอย่าง แต่ก็ไม่สามารถจะเห็นได้เพราะแรลูกที่เล็วที่สุดในตะกาวบรรดาศิษย์ของหลงพ่ทั้งหลายลูกขอกราบมาลาโค้งหงพ่อว่าตอนนี้ไปลูกจะเล่งนละนานศีลภาวนาเพื่อให้ใจยลุมรรยาบรรลุทธิให้ได้ขอหลวงพ่อสงใจไปที่บ้านด้วยนะท่านเนี่ยตั้งใจมากเกินไปถ้าเอ็นดไปเพื่อใใครแค่บิการสมาธินะ ไม่สุทายทำเท่นแล้วก็ไปนานว่าอย่าให้มันเติมเติมไปอย่าให้หย่นเกินไปเียกเติมไปก็ไม่ได้ผลก็ไปน้นว่าเอากรณีกรณีก็มีรประการราชใน